เราให้มาถามย้อนนิดถึงว่าอันนี้สงศ์จริงๆที่ถวายเมรุพระพุทโมเนี่ยเป็นอย่างไรอันนสงศ์ถวายเมรุพระทีเจ้าเทพเราดูไหนก็ไม่รู้นึกไม่ออกเอาสาบท้าสุ่แล้วกันครับเอดีมากครับว่าถ้าจะบับถ้าทุงมนะ เ, เมรุเนี่ยเป็นเครื่องกําจัดความทุกข์สำหรับยากโยมเขาเป็นยาภาพาใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเราถวายเมร ไอนน้สงมันก็ได้สงได้การอะไรบ้างครับคือ ป, ประการแรกได้สวรรค์สวรรค์ประการที่สงได้นิพพานในเนี่ยเหรอใช่อันนี้เรื่องจริงนะครับยังไงอธิบายนิดนึงเพราะว่าต้องใช้กาลังใจถูกแต่การแรกที่ว่าได้สวรรค์คือได้กามาวาจรนะนะครับตรงนี้ก็เพราะว่าถ้าคนที่เขาต้องตายขึ้นมา แล้โดยพ่ออย่างยิ่งเจ้าภาพเนี่ยหนักที่สุดใช่ไหมใา่ๆต่องไอที่เผ้าศพดั้งลงเท้าสำนับใส่ศพบ้างแต่ความจริงทําบุญได้ไหมนี่ก็ควรจะทำบุญได้ลงเท้าศพด้วยต้องมีลงด้วยเหรอใช่ไม่งั้นเผาได้ไงไอโยมว่างไงเฮ้ยโยมยังไม่ว่างาชาๆยังเหนื่อยอยู่อดีไม่ดีปเดี๋ยวโมโหอ้าวทำไมอ่ะก็ตัวที่ตลาดซื้อลงมาไล่ลูกไอาย่นี้ก็มีนะคิดโมโหเนี่ย โอไม่ได้ยาวยาวยาวยาเพ่โหมโหอย่าเพิ่งน้อยอย่าเพิ่งน้อยครับเพะว่าเมรนี่เป็นให้เป็นการให้ความสุขให้ความสะดวกใช่นไหมครับเอ่อเชื่อถ้าวว่าเราทําอะไรให้ความสะดวกกับคนอื่นการจะสร้างเมรได้ตรางอาศัยเหตุสี่ประการครับคือหนึ่งเมตตาวามรักครับถ้าไม่มีจิตเมตตา ไอ้เมนี่ราคาไม่ใช่บาทสองบาทแต่มันเป็นหมื่นเะป oh, ็นแสนนะโอ้แพงเลยเย่าลืมนะเนะ<ะ>งินจนํานวนนี้กว่าราจหาได้ของเราแสงยากใช่ไหมไ <c oughs> อ้การยังเศษสระเงินเป็นหมื่นเป็นแสนนี่จิตต้องประกอบด้วยศรัทธาศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างหนึ่งมีจิตเมตตาคือความรักใน บ, บุคคลผู้มีความทุกข์อย่างหนึ่งน <c oughs> ะครับวาต้องมีกรุณาความสงสารถ้าไม่สงสารแล้วก็สร้างเมลให้ไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหม ลงทุนมากถ้าสงสารนะ้วเขาจะมีคางทุกตะไวหาเมนที่ไหนมาตั้งแต่กรนะลาเรเดี๋ยวนี้สี่พัน0้าพันเขาไม่เอาแล้วอตอถึงเป็นหมื่นแล้วมเมนแต่กราลาเลยแล้วก็มอการมีสายมุตุตามีจิตอ่อนโยนคือไม่ฉาดิสยาคนที่ใช้เมนเผาสด แต่ไม่นึกว่าไอ้นี่กูลงทูนี่ว่าถ้ามึงมาใช้เฉยๆนี่มันเด็กคิดอย่างนั้นกรับครับรอยินดีในความดีที่เขามีความกตัญญูตะเวทีแต่ั้ามึตายใช่ไหมครับครับและก็สิวเบกขาถ้าบังเอิญเป็นจะเช่าชําไปบ้างชนุดไปบ้างอะไรบ้างก็ทําใจวางเฉยไม่โกรธตอนดึงทรงพอ ม, มีหางสอย่างนี้ตามบุติถ้ามีอารมณ์อย่างอ่อนพระพุทธเจ้าตัวตายแล้วไปสวรรค์ อ้ามีกำลังใจอย่างกลางตายจากความในคงก็ไปเป็นมลมครับลมครับอันนี้ถ้าเอาไว้ใชา้โฆษาานาอย่างควบคุมด้วยว่าคนที่ต้องมาถูกเผาที่เมงพวกเราหนึ่งเขามีชีวิตเช่นเร า, าใช่ไหมครับเกิดมาแล้วเป็นเด็กเท่าเราเป็นผู้ใหญ่เท่าเราแก่เท่าเราแล้วก็ตายเหมือนกันเหมืนอนกันก็คิดว่าไอ้ชีวิตร่างกายของคนนี่มันเป็นอันนี้จังหาความเที่ยงไม่ได้ หวังทุกขั้งไม่อยู่ก็มีแต่ความทรมานในที่สุดร่างกายก็ตายตามที่พระเจ้าตรัสว่าเตสงังโมกสโมตโขสักคนเราถ้าไม่เกิดมามีร่างกายขึ้นมาใดเราก็หมดทุกข์ถ้ายังมีร่างกายก็หมดทุกข์จิต ก, ก็เลยตัดทุกคนที่เป็นโลทีวใสัยตั้งใจปฏิพันธ์อย่างนี้ปฏิพันธ์เลยอย่าพยศไงโอพยศพยศจริงไหมครับเป็นเพื่องันเนื่องจัดเลยยศไหนฮะ ยศลูกชายคุณอนะ่ะนี่สงสัยคนยศไแล้วคุณเอาฉ บ, บาับหลวงพ่อดีกว่าฉบแบบเลยหาหากจะได้เห็นมาตรฐานไอ้แม่คนต้ไม่เข้าปล่านลวน้องเราเข้า <c oughs> ดิบอกแกได้เรือว่าพระยศจะเป็นอย่างนี้นะพระยศเนี่ยท่านเป็นสปพเพรสาพระนัอ้จะไมก่อนที่อาจารย์ตายเนี่ยลอยน้ําไปแล้วพระยศไปเผาให้เมืองเสียงเลยอารไหนอ่ะที่นั่งเนี่ยผมเลยเหรอท้าย เขาตายแล้วเหรอไม่ได้โอ้อาจจะใช่อาจจะใช่แต่ความจริงไม่ใช่เพราะหสบานอ่านได้เลยเราลยุก่อนเนี่ยอ๋อพยศตายลอยน้ำนะไม่ใช่พยศตายเขาถึนตายเหรอแมไปแข่งกันนะพยศไปเป็นท่าลหันนะโอ้ขอใครขอใครจะโทษนะแต่ความจริงสมัยก่อนนอนพยศกับพ่อนี้าที่ห้าคนกา ท่านเป็นสัพเพรหอสาธรณะใช่ไหมปากปากหมายความว่าถ้าใครตายขึ้นมาถ้าไม่มีทุนและไม่มีญาติให้ชื่จัดการเผาให้โดยไม่คิดเงินไม่คิดทองใช่ไหมปเป็นแบบนี้จิตรอดมมาวันหนึ่งก็ปรากฏมีศพส ต, ตรีที่กะลังตั้งครรภ์ลอยน้ำมาพระอยู่ ใ, ใกล้บ้านแต่ใกล้เขตของท่านล้มีคนขำามแจ้งแบบนี้วย เราเปล่าดีระยะแฝงนะแฝงแฝงระยะแฝงบนบ้านไทายราหันยศเวลานี้มีศพผู้หญิงลอยมาท่าอยู่ใกล้ๆบ้านเราเอาไปเผาสิถ้าอย่านกับพวกก็เปลาปากาศทีอยู่ ใ, นในกล้ๆกันก็พากันยกศพไปเผาเดีย๋ยากรอนครับพอทำการเผาปืนใส่ตามที่ควรเราถ้าปืนใช้ขนาดนี้ผมต้องเออศบสมัยหมดใช่ไหม าแม้ต่างคนต่างกลับมามาบ้านท่านกำลังกิบบนข้าวอยู่ก็ปรากฏปืนหมดไปไหม้ปืนหมดเธอกใหม่ใหม่ <Okay. S 2> เขาได้เ้ามาบอกว่าศพที่เธอเผาเน้่ยมันไม่ใหม่น ะ, ะก็ว่าไปดูใหม่เออศพไม่ใหม่ทกันเลยบอกเอ๊ะทำไงดีก็เอาไม้มาเสี่ยนหแหลมแทงศพแทงสบให้น้ํามันไหล อ, ออกมา <c oughs> <c oughs> เอามันลอยไปในน้ําขึ้นอินน้ํามาก ไอ้น้ำในร่างกายไหลามามันก็ไม่ไหลามาจากน้ำไอ้น้ำเลือดจำเหนี่ยมันก็ไหลไม่ด้วยแต่กานั่งมองดูว่าไอ้ร่างกายของคนมันมาสุกกรบอกอย่างนี้นะก็ เ, เกิดทำรรมาสังเวชแล็วร่างกายเรานั้นไม่ดีเลยสุกกรบอกแบบนี้แล้วผู้หญิงคนนี้สมัยมเมื่อเธอเป็นมนุษย์ก็มีสุขภาพเหมือนเราไอ้ของสุกกระทั้งหลายแล้วนี่มันปกติดบนหลังกระเพาบางด้เห็นใช่นนั้น ถ้าตรวิสิตายายความเบื่อหน่ายในร่างกายครับแล้บ้านก็บอกพ่อตาแม่ยายพ่อครัวแม่ตัวแล้วก็พัญญาให้ไปดูคนนั้นไปเห็นเข้าเกิดอาการรังเกยียจร่างกายเหมือนกันต่อมาก็เลกลับทิ้งผู้หญาิ้้าคนท่าไปดูว่าเกิดมีอาการรังเกียจี่ร่างกายเหมือนกันใช่แค่ว่ารังเกยียจมีควา ม, มรู้สึกว่าร่างกายเราร่างกายคนอึดอัดกระโตแบบนี้เพราะว่าในสมัยนั้นก็อย่างหนึ่งผลอะไรมาก อาใสยจิตที่เป็นมหากรุสุนเพราะว่าจิตที่เป็นกุศลนไงครับครับถ้มีจิตเมตตามันบาดบุบบตร น, นะแขีวมีจิตเมตตากระเธยที่เรีกว่าศพเขาไม่เผาเมินเราไม่ว่าเราชอบใจคราบในกระเพราศพทีไรก็ไม่เคยรังเกียดบ้านนี้ยมันก็มีเงินมีทางก็จักษ์ใจเช่นซอยบั้งแล้วก็เวลาตายไม่นึงยังเผ า, าเราแล้วเผาตีถ้าไม่เคยคิดอย่างนั้น มีแตตั้งใจสง่งพระด้วยความเต็มใจเอาสัยเมตตากรุณาอของของของจุภี้์ราบทั้งหมดตายแล้วจะเกิดบนสวรรค์ชัช่นดาวดินใช่ครับหลังจากนั้นเมื่อพระเจ้าคนบรรลุอวิเศษสมมาปุทติยาณพวกนี้ก็มาเกิดไล่ไล่ของพรเจ้าอเอาฟังเทศเจาาา้าพระเจ้าโดยอนุสุภะคาชังเดียวเป็นราวสุดาบันฟังซ้ำีกครั้ ง, งเะหันเลยใช่ไหม นอันนี้สงให้เมนเผาศพถ้าเราพิจารณาศพแตงวภาพนี้ด้วยก็เมนที่รเราเผาคนเนี่ยคนนี่มีสภาพเหมือนเราแต่เนื้อแท้จริงร่างกายของคนต้มีตามสุขบวนิารปฏมมาตภาวนาแต่เห็นว่าร่างกายของคนนีนเป็นอธิจังไม่เที่ยงทุกขังทรงตัวอยู่ในโลกอนัตตาในศพตายไปหมดทั้งหมดอันนี้เป็น น, าานิยนาญาณ ถ้าคนทุกคนไม่ได้ยอมสู่ที่สร้างเมืงก็ดีญาติโยมทั้งหมดที่ไปเผาศพก็ดีมีความรู้สุกอย่างนี้ทุกคนตายแล้วร็มีการหมดโอ้แต่ขอโทษแต่นะถ้าใครไปไปที่หลังฉันทั้งวัก็ได้นะทําไมนะครับไปก่อนฉันโหลดข้าวเต็ทั้งหมดเนี่ยเออเพราะเอาไปลอกข้อดีนะจ้าโทษไ อ, อ้คนนะถ้ามเห็นแกตัวอย่างนี้หมาที่ไหนอะนี <laughs> <laughs> ่หน้าหลังมีหมาใส่ผุนะัำหมาไว้ดดต้นดังไม่ยอมไม่ยอมเห็น เออจะมีอะไรเขามี<ล>ัญหาอะไรแล้วก็อย่างกับคนที่เขาไม่ได้ดเป็นเจน้าภาพาพ่ออะไรเงี้ยนะช่วยกันคนละหบาทสิบา ท, บา ท, ทเพาะโมานาลวมตัวนี้เขาเ ข, ขาจะมีส่วนได้เป็นประการใดต้องมีได้เ<ะ>าเรียกว่าตัดตามโมนาลัยร่วมทานเนี่ยไม่ใช่ตัดตามโมนาลัย<อ>ร่วมด้วยมีผลเหมือนกัน<อ>ถ้าผลหน้าเป่านิทานได้คนที่ติดตามก็ปฏิทาได้เหมือนกัน ใช่แ้บริบาเนี่ยบริาบริารนี่ไมพวกรับใช้คือว่าเป็นพวกที่ทำร่วมกันใช่ไหมแล้วคนคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีโอกาสทำแต่โมทนากับคุยทั้งสอนไ้มี่ยหากินเปีกยทำไรเฉยๆแบบนี้เหรอใช่ไอ้สมัมปรีว่ากัดตาโมทนาใหม่ก็ได้เขาไม่กันน่ะกัดสว่างไปเอาคมขมุนมาออี่เกียจี่เก็บให้กับตาดาวุนด้วยม มันไม่ดีมาก<ะ>อ้าวเมีอะไรปัญหาเวลาขึ้นไยเผาผีตก บ, บนเชิงตะกอนยกโทษจะวางทำปากขมุกขมิรไม่ทราบว่าเขากล่าวว่าอย่างไรขอให้หลวงพ่อช่วยที่แจงด้วยจะค่ดนี่นเ่เนะ่ยก็แช่งคนตายอ้าวแล้วกันโมคุดิกหน้าเหรอใช่ ตายโหตายหาไปดีชอบปีชอบจว้ยไก็ม่ดูเขาว่าไงทำปากมืบีบมือกยังไม่ไม่จเป็นต้องทำปากมือบีบมือครับครับทาทำยังไงจะดีก็ไม่รู่ตอนทาปากเขาบอกบ่มือจะทตามกันมาอย่างคนแก่สมัยก่อนยังเป็นเด็กๆก็เอาเหมือนกันเขาว่ากันยังไงไม่รู้ไม่รู้เาว่าไงดิ โยกหัวยาตายายเขายกทษก์สิ้นมาบุญมือทำบปหนึ่งเอาแล้วก็บมุดนี่มันมดปรอะไรบ้างมไม่ต่างเขากันนะทำาปมุดจะไม่รู้ว่าอะไรอ่ะอาจารยเนื้อแท้จริงๆนะฮะต้องมึกอย่างที่พระต่างสกุลอาจารย์จำได้มหมบางอิชาวดาวแขวนข่าราสังขายทั้งหลายมุดยงหนอครับือไม่ต้องทาบาปมีนึกในใจ ว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปจากเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวจากผู้สาวเป่นไปจากคนคนแก่มันเสื่อมใช่ไหมราบแล้วในที่สุดมันก็ตายไปลงท้ายว่าเตสฝังบูประสมโมสุโขตามที่พี่เล่นกล่าวสมัยพุทธจ า, านิทาน ามีใจคิดว่าถ้าเราเข้าไปสงบกายก็ได้มันเป็นสุดก็หมายความว่าถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างนี้เราจะไม่มีทุกข์อย่างนี้ไม่ต้องเผานี้เราเป็นสุขคือปฏิปันธ์นเอาคิดนะ อ, าาอย่างนี้นะนะญาติโยมไปทาตาบกบีบบีบเป็นนั่งแงข่งเขาไอคนนั้นตายโหงตายหาแบบนี้คนนี้ตายโหงตาหาแบบนั้นโลนรกนะคนแข่นมันารลเน า, านะใชโ่โอ้โหหมายผาผีในตำบาถ้าไม่เชื่อนะครับอาจารย์ลองแข่งกาวบ้านเขาตัวเอง แล้วก็ลงตายดูแล้วก็จะก็ได้ไปในรลกถ้าไม่ได้ไปให้มาน่อลว่าฉันเด็กยังเล็กอยู่ครับผมเด็กนะเป็น่วงเด็กเป็นห่วงเด็กอ่านี่ก็าบอกว่าข้างหลังไม่ค่อยได้ยินเลยกรุณาหน่อยเจ้าค่ะเอฉันจะทําไงฉันก็ตะโกนเต็มที่เลยนะนั่นก็สืเห็นใจเหมือนกันเอออะเครื่องก็มันก็บังทะเลยโยมครับนะีนี่ยแต่ถ้าถ้าไม่คุยจะไได้ยินนะ กออ็เคยเทศเขาได้ยินนี่หลวงพ่อเคยบอกว่าเวลาพระบรรยายแสดงหรือเทศธรรมถ้ามีการคุยทุขสิกธินิพาแข่งกับพระว่าตายแล้วจะลงต่างล่างจริงไหมคะไม่ไม่จริงเนี่ย <c oughs> ไอ้ลงข้างล่างหรือมาลงได้สุนทรลาร์ <c oughs> อ๋ <c oughs> อ, อข้างล่างเอาไม่ได้หมายมลงล่างไหนก็แน่ลงข้างล่างไม่ได้ถุนเชนาร์ข้างล่าง ก็บอกตายแล้วลรูนรกเขาจะลงข้างล่างมีเขาบอกคำละสงสัยเขาจะหมายว่ารูนรกนะก็มันตีจะท้าวข้างล่างเลยคดัยเออมีหลายล่างไม่ลงข้างล่างแต่ลงนรกทราบสาบจริงจริงไหมครับที่ว่าจริงถ้าไม่จริงถ้าไม่แน่ใจนะอาจารย์ลองนินทาเขาต้องลองตายเดี๋ยวนี้ย แกเห็นเนียนตั้งใหม่แกแช่ตายดิไม่ใช่ตายเป็นการี่สูงน์ไงล่ะเลยี่เอมันเดอด็เสอบให้เลยอ๋อเป็นสัจธรรมนะก็่รุนาสูงลึกเลยการไหนก็ดีเลยการที่เราฝันถึงคนตายบ่อยๆแสดงว่าเขาคิดถึงเราใช่ไหมครับแล้วทำอย่างไรจะให้หายคิดถึง เออแบบลูเกเจียวถามเจียวเอายทราบรบสงสัยเลยรับอามารเคยตายเรก็จำไม่ได้โ อ, อปคนนี้ก็ปั่นถึงเราเราไม่ถึงเขาหรอกตาจำไม่ได้ต้องทบทวนนต้องทบทวนนะครับครับแล้วถ้าโยมีถามให้เพื่อความแน่ใจนี่ก็ลองตายไปดูเอาแล้วแ<ล>ไม่ฉลองเลยอือแล้วก็ แวใครก็ฝ right? ันถึงเราก็ไปถามี่ว่าเราจะได้รู้ว่าเราต้อถึงกี่วันกว่าเดี๋ยวเด็กพวกนี้ถามว่าไงเนี่ยลืมละการที่เราฝันเห็นคนตายแสดงว่าคนตายคิดถึงเราใช่ไหมคะก็สงสัยฮะสงสัยจะแฟนตายไอ้การคิดถึงนี่มันมีนสังแบบสังคิดนะฮะสงคิด อะไรรับหลงพ่อครับเออคนที่เรารักเขาเ่ารักเราตายเขาคิดถึงเราด้วยกันหน่ายามรักอ๋อบางทีถ้าคนนี้ตายเป็นเจ้านี้เราเขาคิดอยากคิด <c oughs> ทังเราอย่างเจ้าหนี้เราอา๋อจะเป็นงั้นนหมอีหลังนักหน่อยแต่ว่าถ้าพู้ตามตามจริงนะครับคนตายทุกคนเนี่ยเขาตายไปแล้วคิดถึ ง, ถงคิดถึงคนเดียวไม่ตายเหมือนกันหมดครับนะ เราเห็นว่าสภาพของบุคคลที่ตายไปแล้วถ้าไม่เกินวิสัยที่เขาจะมาได้ถ้าไปตายดได้ม่แดงไกลๆเพื่อมาบ้านทันทีนะครับยกตัวอย่างอย่าง่านตนโทสมานดีรัทิยะโ อ, อจราจรตำรวจตารวจเวลาทหารเดี๋ยวนี้เป็นอะไรหน้าของจราจรตำรวจไม่ตายแล้วก็เสียไปแล้ว ออกใจแล้วเลยฮะละหมานกว่าละหมานท่านคนนี้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองท่านไปลบด้านเชียงตุงใช่ไหมครับแล้วก็เป็นไข้เหมอสายหายไม่ได้ท่านเลยตายนะเหมาะเหมาะมีอย่างนี้ทุกเรอคนเราเนาะเหมาะเหมาะตามไม่หายก็ตายเมื่อตายเขาว่านาไปท่องเก็บศพ ใล่ไับท่านเล่าให้ฟังบอกว่าก็คุยกันหลายปีแล้วสิบปีกว่านั้นแล้ว<อ>บอกว่าขณะที่จิตมันออกจากร่างนอ่มันไม่ใช่จิตมันเป็นตัวคนอมันก็มีความรู้สึกว่านี่เราแล้วก็มองโดยตัวที่ตายกล้วยนั้นร่างกายเดิมของเราเอแล้วไปถามได้ว่ามีความรู้สึกเสียดายร่างกายเดิมไหมท่านบอกไม่มีไม่มีนักเสียดายเลย นะฮราบทานอกจากไม่นึนเ้นด้ายในร่างกายขนาดที่มันป่วยสะทุ่มเพิ่มมากใช่ไหมทราบเกิดในอารมณ์ดังเกลียดร่างกายเดิมทีเหมือนกับผ้าขี้ริว้วไปจากไหมขี้ริว้วเอ๊ผ้าริ้วผ้ากระเช็ดพื้น่ะมันขี้ริ้วนี่หมายถ้ามันเลยวเต็มที่ทั้งปุกทั้งเทบาสมบูรณ์ทาบทราซึ่งเราไม่อยากจะหยิบที่สมบูรณ์เราไม่อยากจะหยิบเส้ใยร่างกายก็เป็นสภาพแบบนั้น ใช่ไหมครับควารูา้สึกในการเห็นร่างกายมีสภาพแบบนั้นไม่ใช่แค่ร่างกายอะในเมื่อร่างกายนั้นมันรู้ึ้นมาไม่ได้เราก็มาต้องการมันตอนนี้ทหารเนี่ยต้องมีระเบียบดีในใช่ไหมครั บ, บถ้าจะไปไหนก็ต้องบอกกลุ่มข้าบัญชาแต่บริาหารกลุ่มข้าบัญชาคนนั้นบั่งคนนี้นบั่งไปพูดกับใครก็มีใครก็พูดด้วยอ๋อใครจะพูดอะไรผู้อไม่เห็นน่ะอ เราสกดเลยหาเพื่อนเพื่อนก็นไปพูดด้วยหาใครก็หนึ่งใครพูดด้วยไปเลยคิดในใจว่าเออสมัยนั้นถ้าเป็นเราโทรนะครับไปคิดในใจว่าดีละไม่มีใครพูดกับเราก็ดีละเราจะไปกรุงเทพไปหาเมียห า, หาลูกที่บ้านดีกว่ารเราคิดจางนั้นแล้วท่านก็อ๋อจากที่นั่นเขาบอกเดิน ม, มาเร็วจริงๆร่างกายที่มันเบามากน้ําหนักิดเดียวก็ไม่มีครับกะว่าพอมาึได้ครึ่งทาง แค่เวลานิดเดียวสักสิบนาทีนะไปถึงนะฮ ะ, ะซึ่งทางจะถึงงเทศก็ดีนเสียงคนเรียกข้างหลังกราบครั บ, รบาลูกสมานไปไหนล่ะมาหาพ่อก่อน๋อทมาเหลียวหลังไปดูถ้าบอคนนั้นแต่งตัวม่ น, นายะหารโบราณจะรู้ว่าหน้าตาดีนะกราบคราบถ้ากาเลยก็ไปหาแต่ก็เลยบอกว่าถ้าคุณนั้นบอกว่าพ่อมาคอยลูกที่ที่นี่จะไปไหนล่ะ ตามเพิ่มาในเมื่อท่านตามไปแล้วก็เราถือวท่านคนนั้นนําท่านไปที่ส น, นามขบวน า, ายญ่ยมใช่ไหมครับส น, นามขบวน า, ายญ่ยมเพ่อนก็พูดกัเหมือนกับเราพูดว่าเราพูดกเราพูดกันว่ามีอาคารอยู่สามหลังในที่นั้นก็มีคนคอยการสอบสวนก็อยู่มากยิงปีกกลุ่มๆก็ยิงคนที่คอยการสอบสวนนี่มัเป็นหมื่นๆคนนะไม่ใช่เป็นเ้อยพันครับ อันนี้ก็มืออาคารหลังกลางหลังใหญ่มากเขานาท่านเข้าไปผ่านมา่านสามชั้นมา่านชั้นแรกเป็สีดําชั้นกั น, นไรเป็นสิงเงินอีชั้นเป็นทองเข<อ>้าไปในนั่นก็ประกอบมีโต๊ะสามโต๊ะตั้งอยู่ครบกลางและโต๊ะข้างๆใช่ไหมครับ<อ>เหมือนกับที่เราเข้าใจกันพอเราไปทีนี่นั่งพญายมท่ะนกำอยู่ท่านบอกที่แรกที่บอกพญายมจะมีเขาไม่มีอ่อ้าวก็เห็นเขาแสดงโทรทัศมีอ่าคนเละองพญายมเหร อาจจะเป็นยมเดียวก็ได้แต่ไม่มันนานหลายสิบ ป, ปีแล้วเขาอาจจะว่าเขา อ, อ, อาจจะกผลวใหม่ก็ได้นะครับตอท่า้นสวยสดกดงดงามมากมีสภ า, า, าพเหมือนกัเทวดาเลยครับเขา<อ>เข้าไปร้วท่านพญายงก็บอกว่าลูกสมานที่พ่อให้มานี่เธอน่ยังไม่ถึงเวลาจะมาหรอกนะ<อ>แต่ต้องการให้มากพระรู้ต่างทามเป็นจริงว่าตายแล้วนี่น่สภาพไ ม, ม่สูญ เอาวเดียวเล่าข้ามไปนิดหนึ่งขนาดที่เพิ่งเข้าไปก็เจอในร้อยโทคนหนึ่งเป็นเพื่อนกันเลื่ายไปก่อนโอตา้ไปก่อนนะถ้าว่าว่าได้พูดกันาไปจะไปทักเขาก็าามั่งแล้วก็ เ, เฉยๆไนหะมภรรยาโยงก็บอกว่าพี่ทรงกลมาเนี่ยต้องการให้รู้ความเป็นจริงอจึงเลยบอกว่าเอ้าตัวเด็กๆพาเขาไปดูความเป็นจริงทิศให้เราตามแล้วไปเข้าไปดูคนที่ตกนรก มันมีทุกเวทนาขนาดไหนแล้วก็พาไปดูชาวสวรรค์บ้าชาวสวรรค์ น, นี่มีความสุขมากไม่มีคนแก่ไม่มีเด็กมีแต่คอสาวสาวหนุมทั้งหมดใช่ไหมมีแต่ความสวยสดงดงามน่ารักมีแต่ความเรื่องเริงตราบถ้ราได้เวลาท่ญญานญปยามยมท่านเร่งให้กลับมาท่านม็ไม่ตานท่านบอกว่าอยู่นานแนละ้วก็ได้ไปรเดี๋ยวเขาจะเผาร่างข้างบนแรงใจ น, นะตราบนะแล้วเขาก็เลยนํามาส่ เอนนำมาส่งข้าถึงที่ท่านรู้สึกตัวกันมาเรนก็เห็นว่าไอ้สายกระสังก็มัดอยู่ใช่ไหมขยัดมือขยับเท้าก็ไปได้ก็นึกเสแสร้งใจว่าเอ๊ะไอ้กูจะทำยังไงนอนอยู่ในโรงโอ้ลงลงไปแล้รเนี่ยลงลงไปแล้วเพราตายตอนตอนเย็นกลับมาเช้าออใจร้ายกลับมาเช้าเนี่ยแล้วก็ท่านกอเลยบอกว่าไอ้ทหารรับใช้คล้ายๆว่าคนที่มาส่งจะไปดนใจทหารรับใชอ สารนักชายไม่มีความรู้สึกว่าเจ้านายของเราตายจริงแล้วไม่จริ ง, งกันเลยสงสัยว่าอาจจะไม่ตาย<อ>ก็ย่องไปดูมันก็ไปเปิดลงดูสมัยคือแย่เนะี่ยเปิดลงดูถ้าลืมตาไปตาดด่างพูดได้บ่อยมึงช้วยแก่มัดกูทีมากูไม่ได้ตายดีนะสานัทชายหัวไม่กลัวเงี้บนตัวนะ <c oughs> <c oughs> ดีไม่ดีนึกผีดิบหลือกันดินั่นแหะสิใช่ไหมเนผมก็เปิดแนบเลยอ่ะใช่แต่ว่าคนที่เขาไปโดนใจ้็อาจจะบังคับใจไม่ให้กลัวอ๋อ ไอ้เจ้าแม่กันเลยตับใส่ก็สังเรียบร้อยท่านกันรุ่นมาแล้วก็หลังจากนั้นท่านกันเลยบอกว่าต่อมาท่านกมิลกาสไปติดต่อคนักพญาโยมได้วุกเวลาครับท่านพนอนุญาตแล้วก็ต่อมาท่านกันเรียนวิชาต่อยุคคนจากพนักัญญาโยมอแล้วก็เห็นวิชาสา ม, มารถเรียกคนที่ตาเรียนแล้วมาเข้าใครคนใดคนหนึ่งก็ได้คำประวัติต่างๆได้เลยอ๋อถล้วก็ชี้ถามว่าไง อมือคนตายก็ถึงบ้านไม่ถึงงานแต่ม่คนตายก็ถึงบ้านนะเพราท่านไม่เมื่อพูดกับไทรไม่กัใครก็พูดด้วยแต่กระมุงจะไปบ้านเห็นไหมนั้นก็แสดงว่าเป็นเป็นเป็นไปได้นะเรื่องนี้นะไม่ใช่เป็นไปได้มันเป็นจริงๆอ๋อเป็นไปแล้วกันนะเป็นไปแล้วแล้วก็เป็นทุกคนครับเอ๊ะตอนที่นักสูนเขาบอกว่าลุงพ่อเคยตายตรงหลายครั้งหลายหนแล้วเคยคิดถึงใครสองหลังลุงพ่อไม่เคยตายตนตายเป็นเด็กเนีมันจะเป็นลุงพ่อ โอ้โคลองโอ้โอโคลภาคนนั้นโคลพาท่าพเด็กนะตอนนั้นมันยังไม่ทันยิดงถึงใครเลกลับก่อนทุกทีใช่ไหมสาบสักนี่มีอะไรมีพระธาตุจะตั้งหน้าพระพุทธหรือว่าจะตั้งข้างหลังหรือว่าจะตั้งข้างข้างหรือจะตั้งข้างไหนดีเอาอนี้ดีกว่าทำมหลายข้างกันะถ้าดป็พระธาตุไหอาจารย์เนี่ยย่างช่าง เขาจขา ม, มเราเนี่ยถ้าใส่ไปในขมบแล้วจะติดตาเดิมรู้สึว่าหาทุจรคตไม่ได้เล ย, เยเข้างก็ไม่เหมาะใจข้างหลัง ก, ก็ไม่เหมาะใจอะไรอ๋อจาะตขาโับโหก็ตายนเะจาะขมัเราอย่างนี้เลยว่าแอ๋อที่ไหนก็ได้ทำไมาได้ห้าหมเรเท่านที่บูชาได้นะแบเรดเอาละ เดี๋ยวเดีวเีียวใครโดนเปรตต่อยเลยครับเออคนนี้จะไหนค่ะค่ะคคเาเรียนเก่งเนี่ยค่ะตายโหแล้วจะไม่องพู่กับคนมันไม่มาคุยกับเปลตข้านิกาเปรตครับข้านิกาปรตเป็นเซกกตเเก็บนิดเนเป็นนดเดียวเปนนิดเดียวอ่านานเป็นทีเด็ยมันอยู่ตรงไหนนะตรงไหนเป็นเปรตก็คนมากอยู่ตรงนี้ จิตเป็นเบสใช่ฝ่าพอมาหาเดียวเนะถ้าจิตลดจะตเสกไปจิตจะคูกายฝราก็จะคู่กายก็จิตเป็นจิตหมาอ้าวแล้วภาษาไงอ๋อว่าไปว่าไปฟรดนี่ต็กันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่รฮ่า่่่ แรดอสุรกายทเทวดาลมและผู้ที่อยู่ในนิพพานนั้นมีลมหายใจหรือเปล่าครับแล้วอยู่กันยังไงยังไงยังไงเพราะว่าท่านพูดคนที่ตายไปแล้วตั้งแต่นรลกขึ้นไปที่นิพพานไม่มีปิด <c oughs> ถ้าอย่างนี้เราไมใจเราซื้อเครื่องปั๊มมาเป็นพิเศษ <c oughs> ไม่มีเพราะไม่มีสันหา้าเป็นนามธรรม๋อเกิดที่ในโลกก็รูปในนาม กัหนึ่งไม่มีจาระสองไม่มีปรสวาสาไม่มีเลือดน้มันไม่มีน้เหลืองมีน้ำหนักไม่มีลหาใจอ๋อใช่เพาะว่าวภายในไม่มีเหมือนเราเอแล้วไปไหนมาไหนได้ค่องกว่าพะไม่ป่วงซําไส้ซ้ำไส้กับพระม้าไตคนนึง่วงหนักถึงเดินไม่กไหลอาจารย์อาจารย์นั่นมันถ่วงก็เป็นชุดใหญ่ไปไหนไม่เห็น อุ่ยอ่ายุ่ย่ายนะฮะใชใช่ใชใชอ๋อไม่มีเ อ, อแล้วก็บอกว่าเวลาแปาล่ากัร่กายกินสาเหลดน้ารวดน้าหนองนี่เขากินกันแบบไหนเพราะองพ่อว่ามันมีปอดมีตับอ๋อเดี๋ยวคนมีมม่เคยเป็นเจ้าเนื้อ<ค><ย>ใครตอบด ค, คนที่เคยไวย่งไปวิ่งนทคยแน่คนที่ตอบได้คือคนที่เคยกินมาก่อนใช่เอาใครเลาสาธิตได้บ้างดีหย ไปฮะมันย้อนไปตันี้นะครับครับความจริงก็เป็นปอย่างนี้นะครับพวกนี้ไม่กินมัตถุอ๋อยังก็จะเล่าเรื่องบางส่วนเรื่องไหมครับสมัยที่ครูบังบุญชูที่อย่างเทอร์แกตายใช่มครับครับเวลานั้นมีคนข้าวยาเทวดาสี่องค์มารับครูบุญชูครับพขาเล่ารับไปเลยนะครับครัขณะที่เดินไประหว่างทางยังไม่ถึงนคนะของพญายม ก็ปรากฏว่ า, ปาไปพบบ้านหลังหนึ่งไอ้ดูกรงข้างๆบ่ายเขา ท, ทาเป็นสีฟ้าแล้วที่หลังบ้านออกมาตรงข้างทางเขาตั้งเครื่องสังเบอรนียมีหัวหมูมีใบสีมีเป็ดที่ไ ก, ก่ก็ตามแท่ว่ามีเหล้าอีกด้วย <c oughs> เป็นมืนว่าชนะสีท่านตั้งวงล้อมกลงเลยเยอะทั้งเหล้าทั้งหมูทั้งเป็ดทั้งไก่เสร็จแล้วก็ชวนครูบป็นูให้กินด้วย คุณชูเลยบอกว่าฉันไม่กินหรอกฉันไม่ชอบอิระกกรรมหนึ่งฉันก็ไม่หิวใช่ไนมครับแล้วก็เมื่อทุกจิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วกคุณชูก็ถามว่าเขาทําอะไรข้อสี่คนก็บอกว่าบ้านนี้คนแก่คนหนึ่งเขาป่วยหนะักที่เขาตั้งเครื่ อ, องเื่งเบอร์นี้ก็ต้องการยาต่อายุคเพื่ไม่ให้ตายโอ้แล้วคุณชูก็ถามว่าแล้วเขาจะตายไหมเขาบอกไม่ต้องเดชะการขออีสอง้ามันจะมารับโอ้แล้วคุณชูก็ถามท่างให้กินเขาทําไม ผมเอ้าเขาตั้งให้เขากินอ่าแต่มันยืนยันไม่รู้ให้เขากินเข้าบอกกินแหละอ๋อแต่ไม่ยืนยันมันจะตายก็ไม่ตายแค่พขากินขณะที่แจกกินยังไม่ตายเนะใช่ใช่เพราะว่าอาการจริงคือมันก็มีสภาพเหมือนกับเขาเหล้ากินเนี่ยยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มเรื่องก้าเอามาดื่มไอ้กับแก้มทั้งหมดก็กินเหมือนกันเหมือนเรานะ่นี่ภาพเห็นแต่มันเป็นนามธรรมพอก็ถอยหลังมาทั้งหมดเหล้าก็คงสภาพตามเดิม ไอ้หัวหมูส่ไก่ก็มีสภาพตามเดิมดังนั้นพวกนี้กินเวลากินเขาไม่ใช่กินเนื้อกินน้ำกินน้าไม่ได้กินลูกกินน้ำไปเลยใช่ไหมกินน้ำกินยังไงพ่อหมายถ้าไอ้น้ำมาทำเนี่ยมันเป็นลูกขึ้นมาโอแล้วไม่ได้กินก้อนนั่นแหละของนก็ไม่เปลืองนี่ะไม่เปือง เปนคามจริงข้าพูกเราได้กินได้แบบนั้นหมดนะซื้อหมูมาชิ้มเดียวตลอดชิหู <c oughs> ประหยัดไปเะยอะเลยนะจริงๆตอนนี้หมูแพงด้วยใช่ปัญหาไม่เยอะ <c oughs> นะอะดี ๆ, ๆ, ๆคนที่เกิดในชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามติ่งตางสมมติว่าสวหวายสังฆทานหลวงพ่อพักหลายๆครั้งเยเดียว รวยแล้วสบายทำเพ่ออาบายฉันก็ผ่านลงพ่อว่าอะไรลับไปไปแกขยันใช้ลพ่อทำงานเขาไม่ไหวอาบายดิ้งต่างสมมติว่าเจ้าไอ้ติงต่างนึกเราว่าอะไร